เราก็ใช้เวลาถึง8ชั่วโมงสละการพักผ่อนกายการกินอาหารเราก็ใช้เวลากับเรื่องนี้อยู่วันละอย่างน้อยก็สองชั่วโมงก็เป็นเรื่องกายอีกอาบน้ำถูฟันกินข้าวถายหนกักถ่ายเบาก็เป็นเรื่องกายมีเวลาที่จะเหลือสําหรับเรื่องจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความสะอาดจิตใจเรื่องการบำรุงจิตใจเรื่องการพักใจก็ถือว่าน้อยเต็มที เมื่อเรามาวัดก็ขอให้ได้ใช้โอกาสในส่วนนี้ด้วยแม้กระทั่งการทำวัดสวดมนต์การฟังธรรมก็เป็นโอกาสที่จะพักจิตบำรุงใจได้เหมือนกันถ้าหากว่าวางใจให้เป็นพวกเราที่มาที่นี่อาตมาก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่หือเกือทั้งหมดก็ตั้งใจที่จะนาเอาพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเป็นทั้งแนวทางและเป็นจุดมุ่งหมายของการดาเนินชีวิต การทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่านุมโมทนาแต่ว่าก็อยากจะให้เราทำความเข้าใจเกับเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเนี่ยมันมีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งเป็นส่วนที่ปีกย่อยมีทั้งเป็นส่วนที่เป็นแก่นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อาจจะไปจิบช่วยเอาส่วนที่มันเป็นกับพีว่าเป็นแก่นก็อาจจะทำให้ชีวิตของเราหลงทางหรือว่าติดตันหรือว่าไปไม่ถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือชีวิตที่พาสุขชื่อชีวิตที่ห่างไกลาจากทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์เพื่อศาสนาก็มีหลายส่วนหลายแง่มีทั้งศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุศาสนาประเพณีแล้วก็ศาสนาธรรมอันนี้เราก็ต้องจับประเด็นหรือพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญอะไรเป็นหลักอะไรเป็นรองส่วนใหญ่ก็จะไปติดอยู่ที่ศาสนาประเพณีติดอยู่ที่ว่าเออประเพณีเขามียังไงก็จะทําตามนั้น เราก็จะต้องทําให้มันถูกต้องบางทีก็ไปใส่ใจกับตรงนี้มากเกินไปเช่นปวดน้ํานี่จะปวดยังไงจะกล่าวคําว่าอะไรมีต้องใช้น้ํำไหมเอามือยื่นไปแตะที่แก้วไหมหรือว่าไม่ต้องยื่นนิ้วไปนะแล้วก็จะต้องกล่าวถึงไหนถึงเจ้ากรรมในเวรด้วยไหมหลายคนก็ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปทุกข์กับตรงนั้นเยอะอยเช่นบางทีปวดน้ําก็มีคนทักว่าปวดไม่ถูกต้องกลายเป็นทุกข์ไปนะรู้สึกเสียดายเวลาเสียดายเข้าของที่ถวายไปแล้วก็ ไม่ได้ประโยชน์หรือกลัวว่าจะไม่ไปถึงคนที่จักไปที่เรานับถือหรือบางทีก็ไปติดอยู่ที่ศาสนวัตถุก็เรียกว่าตั้งนาต่างๆที่จะทําบุญเพื่อที่จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็ไปอยู่ตะกั่ที่ตรงนั้นนะแต่ว่าใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ทุกข์ที่หาเงินมาทอดกฐินทอดพระป่าได้น้อยไม่ได้มากทุกข์ที่ว่ากุฏิที่สร้างยังไม่เสร็จสักทีหรือว่าไม่ตรงตามแบบที่ตัวเองต้องการอันนี้ก็ ไปติดอยู่กับศาสนาวัตถุศาสนสถานบางทีก็ไปติกับศาสนบุคคลไปเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เกิดหมดศรัทธาในพระศาสนารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ตัเองทําไปปฏิบัติไปทุ่มเทไปเป็นสิ่งสูญเปล่าพอเห็นพระปฏิบัติไม่ถูกต้องนะเกิดความข้อแท้หดหูอันนี้ให้เราเข้าใจว่าทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาหลังมาทีหลังทั้งนั้นนะสิ่งที่สําคัญหรือมา ก, ก่อนก็คือศาสนธรรม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 เป็นที่พักอาศัยในพรรษาแรกวัดนั้นมาทีหลังเวลูวันนี้ก็มาทีหลังแม้เมื่อมีเวลูวันแล้วก็ไม่ได้มีพระอยู่ประจําศาสนประเพณีก็เหมือนกันก็ตามมาทีหลังพรรษาแรกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากพระรัตนตรยัยศาสนประเพณีก็ไม่มีการบวชก็เป็นการบวชอย่างง่ายๆว่าอย่างเช่นในช่วงหลังๆก็เธอจงมาทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดนะพูดสั้นๆเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการอุปสมบทแล้ว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 ท่านก็ส่งเสริมเรื่องการศึกษาและติธรรมกันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งพระที่สําเร็จจากการศึกษาระบบนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าการที่จะเข้าใจธรรมะได้นี้ต้องศึกษาจนหนึ่งประโยค9์้านั้นท่านก็ศึกษาหึงประโยค9ก้าก็ถือว่าเข้าใจธรรมะก็มีพระรูปหนึ่งท่านเป็นพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะมณฑลในภาคอีสานนั้นท่านจะมีความรังเกียจพระป่ามากโดยเพราะพระป่าสายพระจานทร์มั่นพระจานทร์เสากัมต์ศีโล มีพระปลาสายนี้ที่จริงมีหลายสายแต่ว่าสายนี้ก็ตกอยู่ในขายที่ต้องสงสัยด้วยคือถ้ามาอยู่ในเขตปกครองของท่านท่านก็จะให้ไล่ออกไปเพราะพระเหล่านั้นเนี่ยไม่ยอมอยู่วัดวาเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ทําตัวสอดคล้องกับระเบียบสงฆ์ฉั้นพระที่ไปรู้สิทธิ์พระอาจารย์มั่นพระอาจารย์สาวมีปัญหามากไปอุบบนไปโคราชจะถูกเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอขับไล่ออกไปไม่ให้ไปอยู่ในเขตปกคร อ, อ, องของท่าน เพราะว่าท่านมีทัศนคติที่ไม่ดีกับพระปฏิบัติพระปาอาว่าเป็นพวกที่มัวเมางมงายไม่อยู่ในร่องในลอยจนกระทั่งต่อมาพอท่านเริ่มปวดมีป่วยคเครียดจนป่วยจนตังกลับเข้ามาหาสมาธิภาวนาแล้วก็อาการทุเราบรรเทาเบาบางไปและท่านก็ตอนหลังก็ได้เป็นถึงสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธมีคราวนึงก็หลังจากที่ท่านมีคาวามเข้าใจที่ถูกต้องกับพระสายพระจันมั่น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 อาจารย์มั่นตอบอย่างนี้ว่าสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกห ย, ย, ย่อมหญ้าหลวงปู่มั่นก็ท่านก็อาศัยการทุดงนั่นแหละศึกษาธรรมะจากธรรมชาติธรรมชาติทุกหย่อมหญ้านี้สามารถที่จะบ่มพาให้เกิดปัญญาได้ถ้ารู้จักมองทื่สามเณรที่มาของคาถาในธรรมบทว่าชาวนาขาน้ำเข้านาคือสามเณรท่านนี้นะเห็นชาวนาขายน้ำเข้านาก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเป็นบัณฑิ ต, ต้องฝึกตนแล้วก็ท่านก็ฝึกตนจนกระทั่งได้บรรลุ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 ในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นเรื่องของการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นการสละแล้วก็สละไปในตัวด้วยเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็เกิดประโยชน์กแก่ผู้อื่นในทางวัตถุส่วนเป็นการสลัดความยึดติดถือมั่นก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์ในทางจิตใจบทเรานั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานมันก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่กตัวเพราะคิดแต่จะได้คิดแต่จะเอาเด็กเนี่ยถ้าไม่รู้จักให้ทานเนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะว่า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 หรือผิดไม่ทราบแต่สิ่งที่เป็นสาระคือสัพพิสทานต่อไม่ได้สัพพิสตานคืออะไรก็คือทานของสัปพบุษวิธีการให้ทานเช่นให้ทานก็คือให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ของที่ควรแก่ผู้รับให้ด้วยวิจารณ ญ, ญาณไม่ใช่สักแต่ว่าให้หรือว่าไม่ได้ใช้ปัญญาให้อย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือว่าเมื่อให้จิตใจแจ่มใสให้เสร็จแล้วจิตใจเบิก บ, บาน สัพพิสทานเนี่ยทั้ง7จดข้อนี้จะสังเกตว่าไม่ได้พูดเรื่องกรวดน้ําเลยว่าจะต้องกรวดน้ําอย่างไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องให้ใครบางคนไปเข้าใจว่ า, าทานที่ต้องให้กับพระนะถ้าให้กับอย่างอื่นนี้ไม่ใช่หรือไปเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานถ้าพระนี่ต้องเรียกว่าทำบุญอันนี้ก็เข้าใจไม่ถูกให้กับพระก็เรียกว่าทานไม่งั้นไม่เรียกว่าสังกทานสังกทานคือว่าให้กับพระบางคนรังเกตคําว่าทานเพราเข้าใจว่าทานนี่หมายถึงให้กับขอทานถ้าพระนี่ต้องทําบุญใช้คํานี้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 วคือเหมาะกับเขาอันนี้คือประโยชน์แก่ผู้รับและขณะเดีวยวกันรประโยชน์แก่ผู้ให้ก็คือว่าจิตใจผ่องใสชื่นบานทั้งตอนระหว่างให้ที่จริงก่อนให้ก็ชื่นบานแล้วให้แล้วก็หลังจากให้ก็ยังก็ชื่นบานถ้าทำแล้วจิตใจเศร้าหมองก็ไม่เรียกว่าเป็นสัปริสทานอย่างถูกต้องและบางครั้งเนี่ยเราก็ให้ด้วยด้วยใจที่เศร้าหมองเพราะว่าการให้ของเราั้นยังมีเยื่อใยอยู่ ปูจจาจัดว่าพระองค์ไม่สารเสวนกันให้ที่มีจิตเยื่อใหญ่มีจิตเยื่อใยหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นของเราก็อย่าคอยดูว่าหลวงพ่อนั่นฉันอาหารที่เราถวายหรือเปล่าถ้าท่านไม่ฉันก็มีความทุกข์หดหูเศร้าใจทําไมเขาฉันอขางคนอื่นไม่ฉันของเรานี่เรื่จิตที่มีเยื่อใหญ่ยังมีจิตผูกพันอยู่ยังไม่ได้เป็นการให้อย่างแท้จริงทานนี่เขาต้องการเพื่อจะฝึกให้เราปล่อยวางอันนี้คือประโยชน์ตน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 ประโยชน์ชั้นต้นก็คือเรื่องของวัตถุมีเงินมีทองมีครอบครัวมีสุขภาพดีมีมิตรภาพมีงานการดีมีชื่อเสียงที่ยอมรับอันนี้เราประโยชน์ชั้นต้นถือว่าต่ําสุดประโยชน์ชั้นกลางคือว่าจิตใจเย็นสบายพอได้ทําความดีอาจจะรวมไปถึงบุญที่สะสมในภพหน้าด้วยชั้นกลางแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดนะที่สุดนัคือเรียกว่าปรมตถประโยชน์ขั้นสูงสุดก็คือจิตใจที่ลดละความยึดติดถือมัน่นเป็นจิตใจที่ เข้าถึงหรือเข้าใกล้พนิพานและการทำบุญของเราเนี่ยถ้าเรายังติดว่าอยากจะได้นว่นอยากจะได้นี่เวลาทำบุญนี่ก็อธิษฐานขอพรหรือว่าตั้งจิตอยากจะได้นว่นได้นี่อันนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันยังดีไม่ถึงที่สุดเพราะว่าถ้าดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่หวังอะไรเลยเพราะเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎธรรมชาติว่าทาดีย่อมได้ดีไม่มีการขอ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 ความดีเกิดความเสื่อมสถานในพระธรรมอันนี้ไปกันใหญ่เลยนะเพียงเพราะว่ามีความปรารถนาและไม่ได้สมความปรารถนาเพราะว่าไอสิ่งที่เราปรารถนานั้นเนี่ยอาจจะเกิดเลยไปก็ได้เช่นเอาพูดง่ายๆมันก็ว่าทําบุญ10บาทหวังจะได้ล้าเงีนะ้ยบางทีมันเกินเลยไปมันไม่ใช่ว่าโกแห่งกรรมไม่มีจริงไม่ใช่ว่าความดีไม่ส่งผลแต่อยู่ที่ว่าเราตั้งความปรารถนาเอาไว้มันเกินจริง ทำไปด้วยความหลงทำไปด้วยกิเลสมันก็ไม่ได้ผลแล้วเราก็ไปโทษความดีไปโทษคุณธรรมว่าไม่ส่งผลอันนั้นก็ไม่ใช่เอาไปเนนี้นก็ให้เราเข้าใจเรื่องทานให้ดีพอถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะไปผิดที่ผิดทางคนไทยเดี๋ยวนี้เราเก่งเลยเรื่องการให้ทานแต่เราเข้าใจเรื่องทานน้อยมากอันนี้เรื่องทานแล้วเนี่ยก็ไปสู่เรื่องศีลพัฒนาทานนี่มันเป็นเรื่องนอกตัว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 ตัวเองและเกี่ยวเป็นเรื่องเกี่ยวกัายวาจามันไม่ใช่เป็นของนอกตัวแล้วมันเป็นของในตัวเลยคือกายวาจาซึ่งทํายากเพราะว่ามันต้องมีการสุกขัดขัดเกลาศีลหอันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นอย่าไปเข้าใจว่าศีลทั้งหมดมีแค่ศีล5ศีลทั้งหมดนี้ก็มีความหมายก็คือว่าเป็นการขัดเกลาร์กายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครแล้วก็เกือ้อกูลผู้อื่นได้ด้วยเพื่อทําให้เกิดความปกติในจิตใจแต่ก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเดนนี้เราก็ไปติดเรื่องประเพณี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 ครูสอนศีลธรรมก็ไปติดเรื่องการกราบการไหว้การสวดมนต์ไอ้พวกนี้าศาสนาประเพณีไปไม่ถึงาศาสนาธรรมสักทีผู้ที่เป็นครูก็ต้องพยายามทําให้เด็กเขารู้สึกว่าการทําความดีเป็นเรื่องง่ายอย่าให้มันเล้อล่าอย่าให้มันถูกลักลึงได้ประเพณีมันจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าน้นฉันไปเที่ยวห้างดีกว่าไม่มีประเพณีอะไรซับซ้อนเลยศีลนี่เพื่อลดละขัดกลาตัวเองเพื่อได้มีกายวาจาที่เป็นปกติถ้าเรารักษาศีลไม่เป็นก็จะเกิด กิเลสได้เหมือนกันก็คือว่าเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเลิกฉันประเสริฐนั้นถือศีลแฉันเลิกประเสริฐกว่าถือศีล5เวลาเถียงกันทะเลาะกันก็จะถามว่าเธอถือศีลอะไรเธอถือศีลหใช่ไหมงั้นไม่ต้องพูดฉันถือศีล8เธอเงียบได้แล้วเพราะว่าฉันถือศีลมากกว่าเธอแสดงว่าฉันถูกและเธอผิดอันนี้แสดงว่าเกิดมานะแล้วนะถือศีลอย่าให้เกิดมานะนะถือศีลนี่ต้องทําให้เราเนี่ยเป็นจิตใจที่ปกติลดความเห็นแก่ตัว ลดความเห็นแก่ตัวรวมทั้งลดความที่ถือในตัวตนด้วยอย่าไปคิดว่าฉันถือศีลมากกว่าฉันประเสริฐกว่าเธอฉันกินแจฉันประเสริฐควรกินเนื้ อ, นะอ น, นั่นมันถูกกิเลสหลอกเข้าไปแล้วหลังจากศีลเราก็ต้องไปภาวนานะเพราะว่าคนเราไม่มีแค่กายวาจาคนเรามีใจด้วยต้องมีภาวนาภาวนาคือแล้วก็คือการฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจให้เกิดสภาวะที่เป็นกุศลเป็นกุศลก็เช่นว่ามีความรู้ตัว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 คนไข้นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ห้องไอซียูเนี่ยทำใจได้ไหมเวลาพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาเป็นความตายไม่พ้นเนี่ยลองพิจรารณาดูว่าถ้าตัวเองากลายเป็นศพอยู่ในโรงเนี่ยเราทําใจได้ไหมอันนี้ก็เป็นภาวนานะคือเป็นการเตือนใจให้เราลึกถึงความไม่ที่ของชีวิตเป็นเรียกว่าเป็นการเจริญมรณสติภาวนาคนเรานะควรจะภาวนาอยู่เสมอทําใจ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 เพียงชั่วลมือเดียวเนี่ยมีอ น, นิสงฆ์ยิ่งกว่าการถวายทานถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์ถึง100รูปยิ่งกว่าการถวายอาหารแก่พระอาหารหันต์ที่หนึงร้อรูปนะแล้วก็ยิ่งกว่าการถวายทานแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยซ้ำลองคิดดูเสว่าชาติที่ตั้งชาติเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ถวายทานที่มีพระพเจ้าเป็นประธานจะเสียดายไปทําไมในเมื่อเพียงแค่เราพิจารณาความไม่เที่ยงของชีวิตก็มีอ น, นิสงฆ์มากกว่า การถวายทานแก่สงที่มีพระเจ้าเป็นประธานแล้วการบำเพ็ญเมตตาที่เราเจต ว, วิบุญเนี่ยเพียงชั่วสุดดมไม้หอมเนี่ย mm hmm. อันนี้สงกว่าการถวายอาหารสามรอยหม้อนะกว่าจะทําอาหารสามร้อยหม้อนี่โอ้ต้องเตรียมการเป็นอาทิตย์นะสามรอหม้อหม้อใหญ่ๆเนี่ยสามอหม้อแต่ปรากฏว่ายังได้อั น, นิี้สงแห่งบุญเนี่ยน้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาเพียงชั่วดมไม้หอมไม่ได้เปรียบไปเหมือนกับว่า แบกอีฐแบกปูนทั้งวันเนี่ยได้มาร้อยบาทแต่ว่าทงานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยชั่วโมงเดียวเนี่ยบางทีได้มา 5,000 ันละเปรียบเทียบได้เงี้ก็ว่าได้การทำบุญด้วยทานเนี่ยแม้เป็นสังฆทานนี้ก็ยังได้อ น, นิสงส์น้อยกว่าการเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าการบาเพ็ญทางจิตแต่แต่ถ้าเกิดว่าขณะที่เราถวายทานหรือว่าปรุงอาหารเนี่ยนะเราภาวนาไปด้วยก็ได้นะ เช่นเรามีสติในค่ะที่เราปรุงอาหารในค่ะที่เราปรุงอาหารแล้วก็จเจริลยเมตตาว่าขอให้อาหารที่เราทํานั้นเนี่ยเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เขาได้หายหิวให้เขาจะรับความสุขความเจริญอันนี้ก็ได้นะก็เป็นภาวนานะคือภาวนาขณะที่เราบําเพ็ญทานก็ได้เหมือนกันมันดีกว่าขณะที่หั่นผักไปก็ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยขอให้ฉันรวยได้เหมือนกันนะแต่ได้น้อยนะนะให้เราเข้าใจว่าพูดถึงเรื่องบุญแล้วเนี่ยนะ มันมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างฐานศีลภาวนาและเข้าว่าภาวนาเนี่ยนะคือการปฏิบัติบําเพ็ญจิตเนี่ยให้เป็นกุศลเนี่ยมันทําได้ทุกเวลานั่งรถติดไฟแดงเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันความหงุดหงิดนั้นหรือไม่ก็อาจจะตามลมหายใจหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกจิตมันก็จะเป็นกุศลไม่หงุดหงิดนะเวลาโกรธใครก็แผ่เมตตาให้เขาไปหรือที่จริงเวลาโกรธเนี่ยเพียงรู้ว่าเราโกรธนะแล้วเรารู้ว่า เราไปยึดติดกอดีตแล้วส่วนใหญ่ความโกรดนี่ก็เป็นเรื่องในอดีตเท่านั้นแหละหรือไม่ก็เป็นการปรุงแต่งในนาบางทีเขายังไม่ทันจะทําอะไรเลยเราปรุงแต่งว่าเขาจะต้องทําอย่างโน้นทําอย่างนี้แล้วก็โกรธเข้าไปแล้วเรานัดเขาพรุ่งนี้สี่โมงเย็นยวไม่ถึงเวลานัดเลยแต่เนื่องจากเราเคยประสบว่าเขาผิดนัดมาบ่อยๆเราก็คาดเดาว่าเขาจะต้องผิดนัดพอคาดเด่านี้เข้าโกรธเลยโกรธโดยที่เขายังไม่ไมทันจะได้ทําผิดหรือว่าไปอยู่ในป่าในที่มืดๆเนี่ยนะ ปรุงแต่งไปแล้วว่าเดี๋ยวต้องมีผีมาหลอกนีผีไม่ทํามาหลอกเลยก็กลัวทและกลัวล่วงหน้านะคนเรานี่มันทุกข์เพราะอดีตนอนาคตเยอะเรื่องความโกรธนี่ก็เป็นเพราะใจเราไปปักอยู่อดีตจะมีสติรูก้กลับคืนพาจิตกรรมสู่ปัจจุบันอันนี้ก็ภาวนานะภาวนามันทำได้ตลอดเวลาอย่าไปพูดว่าไม่มีเวลาหายใจนะมีคน สมัยที่หลวงพ่อชายังอยู่ก็ท่านก็บอกว่าให้ภาวนาภาวนาก็มีญาติโยมบอกว่าผมไม่มีเวลาภาวนาเลยครับหลวงพ่อก็เลยถามว่าคุณมีเวลาหายใจหรือเปล่าถ้าคุณมีเวลาหายใจคุณก็มีเวลาภาวนาเดียวกันเดียวกันถ้าใครมาถามว่าไม่มีเวลาภาวนาแล้วก็ถามว่ามีเวลาถูฟันไหมมีเวลาอาบน้าไม่มีเวลากินข้าวไหมไอ้พวกนี้ถ้าคุณมีเวลาทําสิ่งเหล่านี้คุณก็มีเวลาภาวนาเพราะว่าภาวนามันทำกับสิ่งเหล่านี้ได้คนเราเนี่ยนะเพียงแค่ รู้จักภาวนาบนถนนนะหรือภาวนาเวลาอยู่บนรถนะอาตมาเชื่อว่าปฏิบัติทําไปได้ไกลแล้วคนกรุงเทพเนี่ยท้าไม่ว่าปีหนึ่งเนี่ยอยู่บนถนนหรืออยู่บนรถเนี่ยกี่วันคนกรุงเทพเนี่ทราบไหมถ้ารวมเวลาที่อยู่บนถนนทั้งหมดนะในหนึ่งปีนะสามอยสิห้าวันเนี่ยนะกรุงเทพจะอยู่ในบนถนนเนี่ยสี่สิห้าวันเต็มๆคือสี่สิ้าคูณยี่บสี่ก็คือพันกว่าชั่วโมงคนที่บอกไม่มีเวลาเข้าวัด ไม่ต้องเข้าวัดก็ได้ตอนอยู่บนรถนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งอะภาวนาเถอะรับรองอาจจะมีเวลาภาวนามากกว่ามาอยู่วัดเจ็ดวันสิเพราะเจ็ดวันมันเทียบกับสี่สิห้าวันไม่ได้เลยห่างก็ต้องเจดเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นความแก้ตัวก็แสดงว่าไม่เข้าใจว่าภาวนาคืออะไรแต่ถ้าเข้าใจแล้วนี่ก็ขอให้สบายใจว่าเรามีเวลาภาวนาตลอด เราเว้นก็แต่เวลานอนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเข้าใจนะว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่ยถ้คอยเราไปถึงเรื่องภาวนาอย่าไปติดแค่สฐานอย่าไปติดแค่ศีล น, นะต้องภาวนาด้วยแต่ภาวนาโดยที่ไม่มีฐานไม่มีศีลก็ไม่ได้นะบางคนภาวนาเนี่ยเอาเก่งภาวนานะแต่เวลาลูกมายืมเงินพันบาทนี่โอยเครียดเลยเดินไปก็คิดไปเขาจะมาคืนเงินเราไหมนอหนี่ขนาดลูกนะมีแม่ชีคนหนึ่งนะลูกมายืมเงินพันบาท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 คือลูกคือหลานคือพ่อคือแม่คือแฟนสามีภรรยาเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางวัตถุจะด้วยทานก็แล้วแต่จะด้วยทานหรือด้วยเหตุบังเอิญคือของหายก็ต้องปล่อยมาเลยนะปล่อยแม่แบบนี้มีเยอใหญ่เลยเพราะว่าท่านยังปล่อยไม่ได้เนี่ยเราจะทําใจไงเวลาลูกหลานคนร่างนี้เขาไปหรือว่าเราเราจะไปจากเขามีแม่คนหนึ่งก็บอกเนเรื่องตายนี้เขาไม่กลัวหรอกแต่ว่าเขายังรักลูกอะ่ะเขายังทําใจไม่ได้ที่เขาจะจะพลากจากลูก ลูกเขาโตแล้วถนะ้าเกือบสี่สิบแล้วนะแต่เขาก็ยังเป็นห่วงลูกอะ่ะคนพูดนี่ก็ยุบเจ็ดสิบนะตายไม่กลัวนะแต่ว่าทําใจไม่ได้เวลาคิดถึงว่าจะต้องพลากจากลูกนี่เราต้องเรียนรู้นะอาตมา ก, ก็บอกเขาว่าต้องเรียนรู้นะต้องฝึกฝึกลองฝึกว่าให้เราลองพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องพลากจากเขาไปว่าเรานึกภาพให้ชัดเจนว่าเราต้องพลากจากเขาไปเราตายจากเขาไปใหม่ๆคงทําได้ยากหรอก ทำแล้วอาจจะน้ําตาไหลทําแล้วอาจจะเครียดหายใจไม่ออกมันรู้สึกหายอึดอัดนะคนหลายคนเป็นอย่างนี้แต่ทําไปทําไปมันก็จะทําได้แต่ก็ต้องเริ่มต้นจากการสลัดสินของ น, นะสลัดสลัดสินของอย่างสับไม่ได้เช่นสับ ด, ด้วยการให้ทานโดยไม่มีเย่อยใหญหรือว่าสลัดแบบตกกรไดผรากุ้งคือว่าคนขโมยไปของหายไปสลัดไปเลยไม่ต้องเอามาคิดกังวลอีกไปอีกต่อไปของเสียแล้วใจอ ย, ย่าเสียด้วย สลัดแบบไม่มีเยอะใหญ่เพราะว่าเวลาตายมันไม่เหลือมันก็หมดแล้วไม่เหลืออะไรเพราะฉะาเราสลัดสิ่งของไม่ได้เราก็สลัดคนรักหรือปล่อยวางเขาไม่ได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาที่เราหรือเขาต้องตายจากกันแต่สิ่งที่มันยากกว่านั้นนะคือสิ่งที่เป็นนามธรรมานะเช่นความคิดความคิดทางพระลิบวทิฐิความยุติ ว, วันนี้เป็นความคิดของเราเดี๋ยวนี้คนไทยทะเลาะ ก, กันมากเรื่องความคิดหลายคนก็บอกว่าเนี่ยเครียดเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าวเลยเพราะนักการเมืองที่ไม่ถูกใจเวลาเขาพูด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 ความเป็นแม่มันจะขึ้นมาเลยว่าฉันเป็นแม่นะแกเป็นลูกมาเถียงฉันได้ยังไงคนที่เป็นครูก็เป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ทุกแบบครูเป็นอะไรก็ต้องทุกแบบนั้นแหละต้องรู้จักเห็นว่านั่นคือสมมุติที่เราต้องเรียนรู้เทียบปล่อยวางให้ได้ให้เราเรืองว่านี่คือภาวนาที่เราทําได้ในชีวิตประจําวันเจอเจอแล้วก็ตามมีอะไรก็ตามถือเป็นวัตถุแหการภาวนาได้ทั้งนั้นอันนี้แหละทั้งหมดคือศาสนาธรรมที่อยากจะให้พวกเราเข้าใจ